กรับนมัถการหลวงพ่อการนสงง์และก็ไม่ีญาตโยมนะครับคือที่ทำมาเนี่ยทำให้เราเราดีขึ้นในตัวเรารู้ที่ผมเนี่ยเป็นนักกฎหมายสงสัยทุกอย่างก็มาสังเกตการในหลายๆเรื่องแล้วก็มาผมผมผมเริ่มท้าความนิดนะว่าจากผมเริ่มจากท่านพุทธทาส อ่านหนังสือท่านแล้วก็กได้เหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วหลังจากนั้นก็มามาศึกษาสายลุงปู่มั่นก็จะเห็นอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็มาเห็นสายลุงปู่เทียนครับครับผมมาศึกษาสายลุงปู่เทียนเนี่ยก็เาอีกแบบหนึ่งนะครับทีนี้ก็อาศัยว่า ผมชอบศึกษาคนนะฮะในคนเนี่ยมันมีหลายประเภทมันมีหลายอารมณ์แล้วในคนหนึ่งคนเนี่ยก็มีหลายอารมณ์อีกก็มันมีหลากหลายถ้าดูในลักษณะเนี่ยดูจากตัวผมเนี่ยมีอารมณ์มากมายเลยแล้วในอารมณ์เดียวกันเนี่ยเราก็อาจจะแก้ไม่เหมือนกันอีก แค่อารมณ์กโกรธเราอาจจะแก้โดยการเราไปกินอาหารหรือออกไปเดินเที่ยวมันมีสั่งสิ่งพวกเนี้มากมายให้เราเล่นนะครับนี่ผมก็เห็นว่าการฝึกในในแนวทางของพ่อเทียนเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่สุดเลยใครถนัดแบบไหนก็ทําอย่างปัญหาเรื่องเรื่องเผลอเรื่องเพลิพลนก็เหมือนกันนะครับผมก็สังเกตก่อนผมชอบสังเกตก่อน และก็ไม่เชื่ออะไรหรอกสังเกตว่าเป็นเรื่องแปลกว่าทำไมเราใช้ชีวิตปกติอยู่ที่บ้านหรือเราไปเที่ยวไหนในปกติของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้ง่วงหรอกในตอนกลางวันแม้จะกินข้าวอิ่มแค่ไหนก็ไม่ง่วงแต่พอมาปฏิบัติบอกว่าเนี่ยข้าคอร์สนะเอาแล้วตั้งแต่เช้าเลยนะครับเอาผมผมไม่นับตอนหัวรุ่งนะว่าเรามาทำวัดส่วนหมดเอาเพราะเรากินอาหารเช้า ง่วงทันทีเลยนะครับง่วงไม่เลิกแล้วก็จะตื่นต่อเมื่อเสียงะระฆังเบ๊งไปกินข้าวต่อนะครับทีนี้ก็เขาให้พักผ่อนไปอาบน้ำอาบตาแปลงกวันทำอะไรซักผ้าอะไรผู้หญิงก็ชอบใช่ไมไม่มีใครง่วงผมไปก็ไม่ง่วงพอช่องบ่ายใช่ไหมว่าเริ่มเข้าลูก เอาอีกแล้วง่วงทันทีและผมก็สังเกตนะผมจะไม่ทำเรื่องของผมครับผมจะยุ่งเรื่องคนอื่นผมจะดูลูต่างๆทุกคนง่วงหน้าดำหน้าแดงง่วงใช่ไหมฮะและผมก็หันมาดูตัวผมผมจะหลับได้ไมมกระทั่งเดินวูบลงไปเลยพอวูปปบปุ๊บขึ้นมาผมไม่รู้จะแก้มันยังไงไอตัวนี้ตัวว่วงเนี่ยและเมื่อวานผมบ อ, อกเมื่อวานครับนะเมื่อวานผมได้ยินว่าเววมาจาก ไกลๆเหมือนกับว่าพระเนี่ยท่านคุยกับโยมทํานองว่าผมได้ยินว่าเหมือนพระไกลโยมคุยกันไกลๆว่าอย่าให้มันขึ้นตาอย่าให้มันขึ้นตาว่าองนั้นนะไม่รู้ผมฟังถูกหรือเปล่านะผมก็ง่วงอยู่ตอนนั้นผมก็คิดแวบมะอ๋อการที่เราจะหลับไม่หลับมันเกี่ยวกับตาเนี่ยถูกไหมครับถ้าตาหลับลงมันก็วูบเลยผมก็ลองดูสิว่าตีนมันไกลตาทําให้ตีนไกลตาท่านนั่งเนี่ย มันคล้ายๆว่ามันขึ้นตาได้ง่ายกว่าผมก็สร้างวิธีตีนไกลตาขึ้นมาก็คือว่าเดินครับก็รูสติเหมือนความรู้สึกตัวอยู่ที่เท้ามันจะวิ่งขึ้นตามันไกลครับมันง่วงยากกว่าผมก็ลองนะก็ได้ผลอยู่ทีนี้สรุปว่าไอ้วิธีการของหลวงพ่อเทียนเนี่ยมันแทบอยู่ในตัวของมันแทบในตัวที่ว่าถ้าคุณรู้สึกตัว แน่นอนคุณก็ไม่เผลอก็รู้สึกตัวมันว่าไม่เผลอแต่คนรู้สึกตัวไม่ชัดนะเช่นว่าเราเริ่มเพลินในเรื่องอะไรคนรู้สึกตัวมันจะอ่อนลงพอรู้สึกตัวอ่อนลงเนี่ยพอเราเริ่มเพลินเนี่ยมันก็เผลอคล้ายๆเราเดินเดินแล้ว เ, เพลินเพลิน เ, เหยียบขี้มา้าอะไรแบบเนี้นะคือมันจะมันจะต่อเนื่องกันอย่างนี้ตลอดทีนี้สิ่งพวกเนี้ยที่หลวงพ่อพูดเนี่ยผมก็เห็นด้วยว่า มันไม่มันไม่มีปัญหาหรอกครับเพราะว่าเราก็เพลินเราก็เผลอมาตลอดในชีวิตเราเนี่ยแค่เราพยายามเพิ่มความรู้สึกตัวให้มากขึ้นผมมาแต่ละครั้งในเข้าคอสผมก็ไม่มาเอาอะไรหรอกผมก็บอกเดี๋ยวกูต้องบางง่วงอีกก็ง่วงอยู่แบบนี้ตลอดนี่กี่วันมาแล้วก็ง่วงและก็ไม่หวังผลอะไรนะครับแค่ว่าอย่างที่บอกหลวงพ่อไว้ว่า แค่บังคับให้ลูกคห้เมียข้าวัดก็พอที่ผมเคยบอกว่าอันดับแรกเราไม่ต้องเสียค่าเช่าอันดับที่สองเราไม่ต้องเสียค่ากินอันดับที่สามก็คือพระก็มีข้อวัดปฏิบัติระเบียบให้ลูกเมียเนี่ยมีสติมากขึ้นเขาก็ทะเลาะ ก, กับผมน้อยลงคือผมต้องการแค่นี้จริงๆไม่ได้มีอะไรมากครับคือคือแล้วผมก็คิดด้วยวิธีการหลวงพ่อเทียน ท่านก็ไม่ต้องการอะไรมากท่านบอกแค่รู้สึกตัวไอ้เผลิล้วเพลนช่างมันเดี๋ยวมารู้สึกใหม่ก็เล่นกันอยู่อย่างนี้ผมก็เล่นอยู่แบบนี้ครับที่มาผมก็มาเล่นๆครับแล้วผมก็คิดว่าเออเนี่ยเราเนี่ยคงจะไม่เหมาะหรอกการปฏิบัติแบบนี้เพราะว่าถ้าผมปฏิบัติแบบนี้ลูกเมียผมก็โกรธว่าไม่มีตังช้ผมก็ต้องไปทางานแล้วก็ใช้วิธีการ เอาฝึกสติด้วยการทํางานแทนเอาอิริยาบทแบบประจำวันเนี่ยไปใช้ก็พลิกเพลงกันไปอย่างนี้ครับผมก็พยายามอยู่อย่างนี้ครับแต่ว่านักปฏิบัติคนหนึ่งที่มาสังเกตแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นง่วงเลยนะตามที่วงพ่อสังเกตเธอปฏิบัตินี่เธอไม่เคยง่วงเลยนะพ่ออะไรเนี่ยคื อ, อต้องมีเทคนิคดีแน่นอนนะหรือว่าไม่ปฏิบัติได้ยังไงอ่าการธรรมสการหลวงพ่อมหานิเรศนะคะ พระเถรานุเถระทุกทุกนะคะกับสวสดีแม่ชีแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านนะคะก็ที่หลวงพ่อบอกว่าปฏิบัติแล้วไม่ง่วงเนี่ยนะคะจริงๆคือครั้งแรกที่ได้มีโอกาสเข้าปฏิบัติกับหลวงพ่อก็คือที่วัดธรรมแสงเทียนที่นี่เมื่อปีห้าเจ็ดนะคะตอนนั้นเนี่ยที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยหลับ ต่อหน้าหลวงพ่อเลยแล้วก็โดนหลวงพ่อดูว่าหลับโชว์เพื่อนได้ยังไงหันหลังกลับไปนะคะก็คิดว่าการห่วงเนี่ยถือเป็นตัวธรรมะอย่างหนึ่งนะคะที่จะทำให้เราเห็นถึงว่าสภาวะทางกายเนี่ยเป็นอย่างไระค่ะ แต่พอเข้ามาในครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่าความง่วงเนี่ยสามารถที่จะกำหนดเห็นได้ชัดขึ้นแล้วก็มีวิธีการแก้โดยจากการที่ท่านพระอาจารย์สมประพันน ะ, นะคะได้ให้คำแนะนำว่าให้ลองสังเกตดูช่วงขณะที่กำลังจะเกิดความง่วงว่าเห็นอาการเป็นอย่างไรนะคะเราก็ ในช่วงที่มาปฏิบัติวันแรกๆเนี่ยเห็นอ า, อาการกายได้ชัดแต่ว่าพอยิ่งปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีทางความง่วงความคิดแล้วก็ความเบื่อเข้ามาแบบมากขึ้นมากขึ้นก็พยายามตามรู้เราก็ถ้ายิ่งตามเห็นนะคะก็จะสามารถาสู้กับความง่วงก็ลองดูนะคะพยายามรู้สึกตัวให้ชัด พยายามเปลี่ยนเราก็อย่าจมอยู่กับความง่วงอะคะ่ะพอได้สภาวะว่า ความง่วงเราก็ลองเปลี่ยนให้ชัดมากขึ้นเราความง่วงมันก็หายไปเป็นความแจ้งกระจ่างขึ้นมานะคะ่ะหลวงพ่อก็จะปฏิบัติได้เพลิดแล้วก็รู้สึกว่าในแต่ละช่วงที่เก็บอารมณ์เนี่ย mm hmm. เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะ mm hmm. คือไม่ได้อยู่กับตรงความง่วงหรือความเบื่อแบบนานๆนะคะ